เจรอนพอรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2547 เ, เ, เป็นวันพระรหัสขึ้น8ข้างเดือน8ปีวอกเป็นวันพระเป็นวันธรรมัณสวนะ วันฟังธรรมการที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดเพื่อทำบุญถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเรียกว่าเป็นการมาทานุบำรุงดูแล ร, รักษาใจเพราะใจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิต ชีวิตจะดีจะก้าวหน้าจะสุขจะเจริญรุ่งเรือ ง, งก็ขึ้นอยู่กับใจที่ดีนั่นเองถ้าใจไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลในศีลในธรรมใจจะเป็นใจที่ดีไม่ได้เพราะใจต้องอาศัยศีลและธรรม เป็นเครื่องเชิดชูเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นใจที่ดีถ้าไม่ได้รับการดูแลใจก็จะเป็นใจที่ไม่ดีเมื่อใจไม่ดีชีวิตก็จะไม่ดีตามมาใจที่ไม่ดีก็คือใจที่ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำจะถูก ฉุดลากใจให้ลงไปสู่ที่ต่าไปสู่ความเสือ่อมความทุกข์ทั้งหลายเพราะพรุทธเจ้าจึงทรงเน้นสอนพุทธศาส น, านิกชนให้เห็นความสำคัญของใจว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าใจดีใจก็จะสร้างสิ่งที่ดีเช่นความสุขความเจริญสวรรค์มรรคผล น, ผนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากใจที่ได้รับการทงนุบำรุงรักษาด้วยคุณธรรมความดีทั้งหลายนั่นเองใจจะทุกข์จะวุ่นวายใจจะเดือดร้อนเพราะใจขาด คุณงามความดีขาดบุญขาดกุศลขาดธรรมะที่จะเป็นเครื่องคอยฉุดลากใจให้ถอยห่างจากความเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดจากการนำพาของความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งหลายนั่นเองถ้ามีธรรมะใจก็จะมีแสงสว่างเมื่อมีแสงสว่างก็จะเห็นสิ่งตา่ตางๆได้อย่างถูกต้องแน่นยังเห็นว่าอะไรถูกเห็นว่าอะไรผิดเห็นว่าอะไรเป็นเหตุของความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์เมื่อเห็นได้อย่างชัดเจนก็สามารถหลีกเลี่ยงเหตุของความทุกข์ทั้งหลาย คือไม่ไปกระทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเล็กเลี่ยงจากความชั่วความเสียหายทั้งหลาย <c oughs> แต่ถ้าใจไม่มีธรรมะแสงสว่าง <c oughs> ก็เปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดย่อมไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ย่อมไม่สามารถเห็นผิดถูกดีชั่วได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเห็นกับ ตาลปาดไปมีมิจฉาทิจจิคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เห็นกลับกันเมื่อเห็นกลับกันแทนที่จะเดินถอยออกจากความทุกข์ก็เดินเข้าหาความทุกข์เหมือนกับเดินเข้าหากองไฟนั่นแหละถ้าเดินเข้าหากองไฟก็จะต้องถูกไฟ เผาพลานไปในที่สุดเพราะความมืดบอดพาไปทำไมคนเราจึงต้องนอนก้าหาในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย mm hmm. ก็เพราะความไม่รู้นั่นเองคือขาดธรรมะแสงสว่างขาดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ mm hmm. เห็นที่ถูกต้องจึงหลงอยู่กับสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่รู้จัก หยุดจักหย่อนอะไรเล่าที่เป็นพิษเป็นภัยต่อใจแต่ใจกลับไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็พวกอวัยมุกทั้งหลายเช่นสุรายาเมลการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นนิตรความเกียจคร้านรวมไปถึงการกระทาผิดสิงผิดธรรม เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การทำพูดขิดประเวณีการพูดบทโมเทจเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งสิน้นแต่ทำไมคนเราจึงยังหลงอยู่กับเรื่องอบายมุททั้งหลายเรื่องการทำผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายเพราะใจมีความมืดบอดเพราะใจขาดธรรมะแสงสวา่าง นั่นเองจึงเห็นว่าอบายมุธและการทำบาปทำกรรมเป็นของที่ไม่เสียหายอะไรทำได้ทำแล้วมีความสุขมีความเพลิดเพลินคนเวลากินเหล้าเขามีความสุขเขามีความเพลิดเพลินเวลาเล่นการพนันเขาก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินเวลาออกไปเที่ยวยามค่ำคืนเขาก็มีความสุขมีความเพลิดเพลิน เวลาเขามีความเกียด้างเขาก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินเหมือนกันแต่เขาหารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขความเพลิดเพลินชั่วขณะเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะต้องลำบากเขาก็จะต้องทุกข์เพราะการเกี่ยวข้องกับอบายามุขทั้งหลายไม่ได้ผลิตอะไรออกมา ให้เป็นสิ่งที่เราสามารถขึ้นพาอาศัยได้นั่นเองมีแต่จะคอยดูดเอาทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่ทรัพย์ ส, สินเงินทองเวลาที่มีค่าสุขภาพร่างกายของเราก็จะถูกกระบายยุบุกนั้น <c oughs> ดูดไปดูดไปจนไม่มีอะไรเหลือหลออ ย, ละละอยู่จนกระทั่งตนเองไม่สามารถ เป็นที่พึ่งของตนเองได้ก็เลยต้องไปทําในสิ่งที่เสียหายกับผู้อื่นไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นนี่ก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ทํานุบำรุงดูแลรักษาใจด้วย คุณธรรมความดีงามทั้งหลายดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันอย่างสม่ำเสมอ mm. เช่นมาทำบุญให้ทาน mm. มารักษาศรรีล mm. มาปฏิบัติธรรม mm. มาฟังเทศน์ mm. ฟังธรรมเ mm. พราะเมื่อทำสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็จะมีความดีไว้ต่อต้านสิ่งที่จะฉุดกใจให้ไปสู่ ความชั่วทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงตัวสามตัวนี่แหละเป็นตัวการที่สาคัญที่สุดที่มีอยู่ในใจของเราถ้าไม่ได้รับการชำระปลดเปลื้งด้วยการเข้าหาธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมจ้บตัวกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธ ความหลงความอยากทั้งหลายจะมีอำนาจอยู่ภายในใจจะเป็นตัวสั่งการให้ใจไปทำในสิ่งที่จะต้องมาเสียใจในภายหลังแต่ถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างอย่างวันนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมเราได้รู้จักว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นภัยอะไรเป็นตัวที่จะชักจูงเราไปสู่ โทษไปสู่ภัยทั้งหลายเราก็พยายามต่อสู้ขัดขืนด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมนี้ทั้งนั้นแหละที่จะเป็นตัวที่สามารถทำลายความชั่วร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ธรรมก็เปรียบเหมือนกับน้ำกับผงสักฟอก เราใช้ซักผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้าของเราถ้าไม่มีน้ําไม่มีผงสักฟอกมันจะไม่สะอาดได้มันก็จะเปื้อนอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาเสื้อผ้าลงไปแช่ในน้ากับผงสักฟอกทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เอามาขายี้เอามาซักเดี๋ยวเดียวสิ่งสกปรกทั้งหลาย ที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าก็จะหลุดลอยออกมาหมดสิน้นธรรมะก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีธรรมะอยู่ภายในใจแล้วธรรมะก็จะชําระความโลภความโกรธความหลงความ <c oughs> ไม่ดีความเลวร้ยวายทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปถ้าใจของเราสะอาดหมดจดแล้ว ใจของเราจะเป็นใจที่มีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียวความสุขความทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเป็นเหตุถ้ามีธรรมะใจก็มีสุขถ้ามีกิเลสตัณหาใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้ยึขึ้นอยู่กับความรวยความจนไม่ได้อยู่กับฐานะว่าสูงหรือต่ำ ไม่ได้ว่าเป็นพระหรือเป็นค า, า, ารวาสมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นึเพียงองค์ประกอบเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นตัวเหตุที่จะให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์กับใจตัวที่จะทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์กับใจก็คือธรรมะกับกิเลสเท่านั้นดังนั้นธรรมะกับกิเลส จึงเป็นศัตรูกันอยู่เสมอเป็นคู่ต่อสู้กันอยู่เสมอถ้ามีธรรมกิเลสก็จะถอยออกไปถ้าขาดธรรมกิเลสก็จะฮึกเหิมมีกำลังธรรมกับกิเลสก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดถ้ามีแสงสว่างมากกว่าความมืดความมืดก็จะหายไป <c oughs> ถ้ามีความมืดมากกว่าแสงสว่างความสว่างก็จะหายไปดังนั้นเราถ้าต้องการให้ใจของเรามีความสุขมากๆเราก็ต้องสร้างธรรมะให้มากๆแต่ถ้าเราไม่สร้างธรรมะเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่าเสมอ <c oughs> ความมืดคือกิเลส <c oughs> ก็จะ ครอบงำจิตใจเมื่อความเมืีอของกิเลสครอบงำจิตใจแล้วการกระทำของเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีในทิศทางที่จะสร้างความเสียหายสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับใจของเราอย่างแน่นอนเราจึงไม่ควรประมาท ใ, ในเรื่องการทำบุญทำทานในเรื่องการรักษาศีล ในเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าเราปรารถนาะความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเราขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่มีความสุขใจจิตใจของเราจะไม่เจริญทั้งๆ ท, ที่เรามีสิ่งอย่างอื่นมากมายเช่นมีเงินทองมีสมบัติเข้าของมีบริษัทมีบริวารมากมาย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าใจของเราจะมีความสุขใจใจของเราจะเจริญเพราะคนเราที่ได้สมบัติมามากมายนั้นบางครั้งก็ไม่ได้มาด้วยความดีงามแต่ได้มาด้วยความไม่ถูกต้องเช่นไปคดโกงไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้ เรียกว่าเป็นการสร้างความเสื่อมให้กับจิตใจใจไม่ได้เจริญเพราะใจจะเจริญได้ต้องเจริญด้วยสิลธรรมถ้าจะร่ำรวยต้องร่ำรวยด้วยความถูกต้องร่ำรวยด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นร่ำรวยด้วยการไม่ ไ, มไปทาผิดสิ่งผิดธรรมอย่างนี้ใจจึงจะไม่เสือ่อมแต่ถ้าใจได้สิ่งต่างๆมาด้วยการไป สร้างความเดือดร้อนสร้างความเบียดเบียนให้กับคนอื่นแล้วใจนั้นถึงแม้จะมีสมบัติเงินทองมากมายแต่ใจกับเป็นใจที่เสื่อมทรามลงไปจากมนุษย์ก็กลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์นรกไปเพราะใจไม่ได้รับการรักษาด้วยคุณธรรมความดีงาม น, นั่นเอง พระความโลกมีอำนาจสับนันให้สามารถกล้าที่จะทำบาปทำกรรมเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการต้องการสามีหรือภรรยาของผู้อื่นก็เอามาโดยไม่คำยงเพ่งตัวต่อบาปต่อกรรมอย่างนี้ได้มาก็ตามได้สิ่งที่ต้องการมาก็ตามแต่เสียสิ่งที่มีคุณค่าในจิตใจ ไปก็เสียความเป็นมนุษย์ไปนั่นเองคนเราจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้จะต้องมีศีลห้าบริบูรณ์แต่ถ้าขาดศีลห้าเมื่อไหร่แล้วแสดงว่าใจได้เสื่อมลงไปสู่สภาพของเดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสูรกายบ้างสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับความ การกระทําบาปกรรมนั้นว่าจะมีมากน้อยเท่าไรและด้วยสาเหตุอันใดถ้าทํามากและรุนแรงก็จะต้องรับจะต้องเสื่อมลงไปมากเสื่อมลงไปถึงขั้นนรกเลยทีเดียว mm hmm. เช่นเกิดความโกรธแค้นแล้วไปฆ่าไปทําร้ายชีวิตผู้อื่นทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปฆ่าเขาเลย แต่ค่าก็ความโกรธแค้นขาดความเมตตาอย่างนี้ตายไปก็ต้องตกนรกไปแต่ถ้าค่าด้วยความจำเป็นเช่นเป็นมีอาชีพเป็นชาวประมงต้องออกไปหาปลามาอย่างนี้เรียกว่าฆ่าเพราะความจำเป็นเพื่อหาปลามายังชีพแต่ก็ยังเป็นบาปอยู่ ก็ความเสื่อมของจิตก็จะตกลงไปในฐานะของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาฆ่าเขากินเพราะเขาต้องกินต้องอยู่นั่นเองเขาถึงต้องฆ่าแต่เขาไม่ได้ฆ่าเพราะความโกรธแค้นเกลียดชงังเขาก็เป็นเพียงแค่เดรัจฉานแต่คนที่ฆ่าผู้อื่นด้วยความโกรธแค้นเกลียดชังนั้นจะต้องกลายเป็นสัตว์นรกไป ทั้งๆ ท, ที่ยังเป็นคนอยู่แต่ใจได้กลายเป็นสัตว์นรกไปแล้วถ้าฆ่าผู้อื่นเพื่ อ, อยังชีพเช่นไปเป็นเพชฌฆาตกินเงินเดือนได้เงินเดือนเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนผู้อื่นหรือเป็นทาหารเป็นตำรวจเวลาต้องต่อสู้กับผู้ร้ายทั้งหลายต้องฆ่าเขาอย่างนี้ก็เป็นบาปเป็นกรรม ทำให้จิตใจเสื่อมลงไปในขั้นเดรบฉานแต่ข้าเขาด้วยความโลภด้วยความอยากอยากจะรวยอยากจะมีมากมายกายกองนนฟ้าอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเปลกไปเ <c oughs> พราะจิตใจมีแต่ความโลภนั่นเอง <c oughs> ถ้ามีแต่ความโกรธ <c oughs> ก็เป็นสัตว์นรกไปถ้ามีแต่ความกลัว ถ้าเขาหรือทำร้ายผู้อื่นเบียดเบีย น, ยนผู้อื่นด้วยความกลัวก็จะกลายเป็นพวกผีที่เรียกว่าอสุรกายพวกนี้จะมีแต่ความกวาดความกลัวอยู่ตลอดเวลานี่คือความเสื่อมที่จะตามมาแก่จิตใจถ้าไปละเมิดศีลห้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดตัวเวรน้ ไปพูดปลดมดเทศโกหกหลอกลวงเมื่อทำไปแล้วจะต้องกลายเป็นสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งในสี่ประเภทนี้นั่นเองเท่านั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้จิตใจของเราเสื่อมลงไปในสภาพนั้นเราก็ต้องฝ่าฝืนความรู้สึกภายในใจเวลาเกิดความโกรธก็จะต้องเจริญเมตตา คือให้อภัยอย่าไปถือโทษโกดเสืองกันถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปเราเคยไปทำอะไรเขามาสักอย่างหนึ่งตอนนี้เขาก็เลยมาทำกับเราก็ถือว่าใช้หนี้คืนกันไปผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปสิ่งที่เขาว่าเขาทำเรามันก็ผ่านไปแล้วไปกดแท่งกดเถือง ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่กลับทำให้ใจเราร้อนใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเสียเปล่าๆถ้าเรามีความเมตตาคือเราให้อภัยเขาได้ใจของเราก็สงบใจของเราก็เย็นถ้ามีความโลภความอยากถ้าเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ ก็พยายามหามาด้วยสัมมาชีพคือหามาด้วยวิธีที่ไม่ไปเดือดบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถึงแม้จะต้องไปเป็นขอทานก็ยังดีกว่าไปลักเล็กขโมยน้อยถึงแม้จะต้องไปร้างซ่วมเป็นพานโลก็ยังดีกว่าไปขโมยไปข่าไปยิงนกตกปลา ขอให้เรายึดความถูกต้องเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราถึงแม้เราจะยากจนถึงแม้เราจะต่ำต้อยแต่อย่างน้อยใจของเราไม่ต่ำไปด้วยใจของเรายังสูงอยู่เพราะเรารักษาใจของเราด้วยคุณงามความดีด้วยธรรมะนี่เองถ้าเราอยากจะให้ใจเราจเจริญสูงขึ้นเมื่อเรามีโอกาส เช่นเรามีเงินทองเหลือใช้เรามีสมบัติเท่าของเหลือใช้เราเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนอย่างนี้ก็จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นให้กลายเป็นเทพขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมามันเกิดจากการกระทาของเราการให้ทานนี้จะทำให้เรากลายเป็นเทวดาขึ้นมา การรักษาศี่เป็นการรักษาความเป็นมนุษย์ของเราการปฏิบัติทางนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเป็นการพัฒนาจิตของเราให้กลายเป็นโคงการปฏิบัติจเจริญวิปัสสนาพิจริาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกถ้าไปยึดไปติดไม่ใช่ ตัวตนไม่ใช่ของของเราถ้าเราพิจนารณาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องจิตใจของเราก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลกลายเป็นพระโสดาบันพระสกิรดาคังนีพระอน า, าคังนีพระอรหันต์ไปในที่สุดนี่คือการเจริญของใจเจริญแบบนี้ต่างหากสุขก็สุขแบบนี้ต่างหาก ความสุขของใจก็คือความสงบถ้าใจสงบเมื่อไหร่ความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อมีความสงบมีความสุขก็จะมีความอิ่มมีความพอจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรถึงแม้จะเป็นขอทานอย่างพรอพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายท่านก็เป็นขอทานแต่ท่านไม่หิวไม่อยากจะเป็นอะไร ใครจะให้ท่านเป็นอะไรท่านว่าท่านก็ไม่อยากเป็นเพราะใจไม่หิวใจไม่อยากใจมีความสุขแล้วใจมีปัญญาใจเห็นใจเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ใช่ความทุกข์าบยศสรรเสริญสุขทั้งหลายก็เป็นความทุกข์เพราะราบยศสรรเสริญสุขนั้น <c oughs> มีความเสือ่อมเป็นเงาตามตัว มีเจริญก็ต้องมีความเสื่อมมีเจริญลาบก็ต้องมีการเสื่อมลาบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่อยู่ในโลกนี้จะต้องสัมผัสกันด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะสัมผัสแบบไหนถ้าสัมผัสแบบคนโง่เขาเบาปัญญา ก็จะหลงดีอกดีใจเวลาที่ได้เจริญในราภยศสารเสริญสุขแต่จะต้องร้องหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเมื่อต้องเสื่อมในราภยศสารเสริญสุขไปแต่ถ้าเป็นคนฉลาดมีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านจะไม่ยินดีกับการเจริญในราภยศสารเสริญสุข เมื่อไม่มีความเจินดีในราบยศเสริญเสริญสุขเวลาเกิดความเสือ่อมก็ไม่มีความเศร้าสุขเสียใจท่านพอใจที่จะอยู่โดยปราศจากราบยศสริเสริญสุขทั้งหลายนั่นเองท่านอยู่เฉยๆตัวเปล่าๆท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องอะไรไปหาเขามาใส่หัวเขาก็คือราบยศเสริเสริญสุขทั้งหลายนี่แหละเป็นเขาทั้งสิน้นแต่เนื่องจาก คนที่ขาดปัญญาขาดธรรมะมีความมืดบอดครอบการมอยู่ก็จะหลงติดอยู่กับราภยศเสริญสุขแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาวุ่นวายกับการแสวงหาแล้ววุ่นวายกับการสูญเสียไปนี่แหละเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อน เราไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเราไม่เคยเจอความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจมาก่อนแล้วรับรองได้ว่าร้อยทั้งร้อยก็จะต้องหลงติดอยู่กับราบยกยศสารเสริญสุขทั้งหลายเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความดึงดูดต่อจิตใจที่มีความมืดบอดมีกิเลสตัญหา ซ่อนเล่นอยู่ภายในใจนั้นเองตัวที่ดึงดูดความโลภความตัวที่ดึงดูดราภยศสารเสวนสุขให้เข้าสู่ใจหรือให้ใจเข้าสู่ราภยศสารเสวนสุขก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแต่ถ้าใจได้รับการชำระความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปแล้วมันก็จะไม่มีตัวดูดให้ใจไปดูด ไปยินดีกับลาบยศสารเสริญสุขทั้งหลายเมื่อไม่มีความยินดีแล้วความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการเสือ่อมการสูญเสียของลาบยศสารเสริญสุขทั้งหลายก็จะไม่มีในหัวใจนี่แหละคือความวิเศษของใจที่ได้รับการดูแลรักษาทํานุบำรุงด้วยธรรมะ อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอมาทำบุญมารักษาสิ่งมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมขอให้ทำไปเรื่อยๆเถิดขอให้มีความแน่วแน่ต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วความสุขความเจริญทั้งหลายที่เราปรารถนากันก็จะเป็นผลที่จะตามมา ความทุกข์ทั้งหลายความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะอยู่ห่างไกลจากจิตจากใจของเราชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยความร่งเย็นเป็นสุขถึงแม้ว่าเราจะมีมากหรือมีน้อยก็ไม่สำคัญถ้ากราบใดใจของเราได้รับการดูแลด้วยบุญด้วยกุศลแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุข มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญ ก, ก้าวหน้าอย่างแท้จริงตายไปถ้าเรายังไม่สิ้นกิเลสในชาตินี้ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีกว่าเดิม <c oughs> ถ้าได้ทําบุญทําทานมากก็ได้ไปเกิดเป็นทําบุญทําทานรักษาศีลมากก็ <c oughs> จะได้ไปเกิดเป็นเทพถ้าได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมถ้าได้เจริญ วิปัสสนาปัญญาก็จะได้เกิดเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่ได้เจริญไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติจนบรรลุกลายเป็นพระอรหันต์ลืมไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมอทุกทุกวันพระ หรือวันเวลาที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่สแสวงหาบุญสแสวงหากุศลโดยไม่ทำนุบำรุงดูแลรักษาใจเพราะไม่เช่นนั้นแล้วใจของเราจะเป็นใจที่เหี่ยวแห้งเดียว้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย มีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายเป็นเหมือนกับพวกเรลพวกผีทั้งหลายหรือมีแต่ความโกรธแค้นโกรธชังเหมือนกับพวกสัตว์ทรกทั้งหลายเพราะไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการกำจัดสิ่งที่จะสร้างความเลวร้วายทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจคือกิเลสตัณหานั้นให้ออกไปจากจิตจากใจนั่นเอง ใจจึงเป็นใจที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความทุ่ง ม, มีแต่ความวุ่นวายใจแล้วก็ไม่สแวมสวงหาสิ่งที่จะมาดับมันกลับไปแสวงหาในสิ่งที่จะทำให้มันเกิดมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปเองทุกครั้งที่เราโลภแล้วเราทำตามในสิ่งที่เราโลภความโลภมันไม่น้อยถอยลงไปแต่มันจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้น ทุกครั้งที่เราอยากอะไรแล้วเราแสวงหาตามสิตามความอยากของเราความอยากมันจะถ u ยคุณเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะนี่คือธรรมชาติของความอยากได้คือก็จะเอาสอบได้สอบ ก, ก็อยากจะเอาวาได้วามันจะมันจะขยายไปเรื่อยๆคนเราจึงเป็นมหาเศรษฐีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะเอาเง